พระธรรมเทศนาแผ่นที่104ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าปิดงบเล็กก่อนปิดงบใหญ่วันนี้เป็นวันศุกร์ที่17เจ็ กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560วันในพระของเรา44รูปนะแต่งดฉันไป18รูปรู้สึกว่าพระบางตาวันนะี้แต่เมื่อวานบัญชีเสาเข็มเขาส่งมาก็าบอกว่างดในการโอน โอนเข้าบัญชีแต่ยังไม่ปิดพอปิดไม่ได้ถ้าปิดเขาก็ต้องถอนออกทั้งหมดอันนี้เขาไม่ได้ปิดบัญชีแต่ว่าเขางดในการโอนพอเต็มแล้วนะบัญชีเสาเข็มเต็มอันนี้ก็สุดแท้แต่คณะกรรมการเขาเขาว่าอย่างไงเราก็ว่าอย่างนั้นเพราะเราเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรรมการการเงินมีแต่ถ้าบันขาลือเราก็หาช่วย เขาบอกมันเต็มแล้วเขาก็ปิดคือ ช, ช, ชุดแท้แต่เรื่องของคณะกรรมการเรหลวงพ่อชุดใจแต่ยอดยอดที่เราต้องการสามสิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมืห้าพันหร้อยแปดสิบบาทนะแต่เราได้แต่เดี๋ยวนี้สามสิบเจ็ดล้านหกแสเก้าหมืนเก้าพันสามสิบบาทสี 48, ท่สิบแปดสตังก์ ที่เขาที่บัญชีที่งดการโอนจ่ายต่อไปก็คงจะพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมที่จะทำบุญก็คงจะเอาเข้าบัญชีคงจะเซ็นสัญญาเจ ด, ดีสาลาลายปิพิธภัณฑ์คงจะเอาเข้าจุดนั้นแต่เสาเข็มพัน1ห้บต้น พออเขาว่านะเขาว่าพอที่คณะกรรมการแต่เมื่อวานทราบว่าดตอกทั้งหมดได้เก้าสิบเอ็ดต้นแต่ก็ยังช้าอยู่นะยังช้ากว่ากำหนดการแต่เขากำลังเร่งเข้ามาเพิ่งทางานปัญนจันต์ัวนึ่งเพิ่งทำงานได้เมื่อวานนี้ แต่ตัวที่สามนคงจะเข้ามาประมาณจากยี่สิบกว่าคงจะเข้ามาอีกตกไปสามตัวจะคิดว่าคงจะเร็วแล้วไงคืออันนี้ก็คืองานตกเข็มเจทีคงองหลวงตาก้าไปเลก้าไปเรื่อ ย, อยแต่เขาก็ปิดบัปิดการโอนจ่าย แต่แตามไม่จริงพวกเราถ้ามีการเปิดปิดก็ดีเหมือนกันนะชีวิตของเราอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดปีใหม่ปีหนึ่งหลวงพ่อก็เตือนอีกครั้งหนึง่งปิดงบนะแต่ละปีปีนี้ปีนี้ปีห้าสิบเก้าเราได้ทำอะไรมาบ้างชีวิตของเรา อันไหนเป็นประโยชน์อันไหนเป็นโทษอันไหนเป็นชีวิตประจำวันธรรมดาธรรมดาแต่เราไม่ได้พูดจุดที่เป็นธรรมดา <c oughs> ธรรมดาเรามองที่ว่าตัวไหนเป็นโทษตัวไหนเป็นคนุณเราให้มองจุดนั้นถ้ามองที่เป็นคนุณแปลว่าชีวิตของเรามีกำไร ถามว่าเราทําไม่ดีเป็นโทษทําสิ่งที่มันไม่ดีกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมของเราไปในทางที่ไม่ดีอันนั้นแปลว่าขาดทุนขาดทุนชีวิตเนี่ยให้พวกเราปิดงบอายุของเรามาถึงปุนนี้แล้วอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อก็มองดูข้างหลังอีกเหมือนกันอ เมื่ อ, อไรจะปิดงบมันจวนจว น, จวนเข้ามาเต็มทีแล้วเจ็ดสิบกว่าจะเมาจวนได้ยังไงเพราะว่าคนที่ปิดงบก่อนหลวงพ่อไปก็มีมากต่อมากเราก็ต้องมองอีกเหมือนกันเราได้ก ำ, กำไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนเกิดมาทั้งทีชีวิตเกิดมาในชาตินี้ อันนี้ก็อยากให้พวกเราทุกทุกท่านตรวจตราดูเหมือนกันนะถ้าหากว่าเรามีแต่หลงละเลงไม่ได้ประกอบคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไม่ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาออที่พวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบ ะธารมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะได้เสียเสียท่าเสียทีเราควรจะประทำควรจะทอย่างไรให้เกิดประโยชน์สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกทุกท่านเพราะนั้นให้เราท ด, ทดลองปิดงบดูสิทดลองปิดงบดู ปิดงบน้อยปิดงบใหญ่ไปแต่ผลที่สุดขั้งสุดท้ายน่ไปปิดงบใหญ่ถ้าว่าเราไม่ทดลองปิดงบดูเราอาจจะหลงละเลิงก็ได้นะว่าเราไม่เคยคิดเลยแต่ถ้าไม่จริงมันน่าจะคิดนะหัดคิดไว้เพราะว่าในหลักของพุทธาศาสนาแล้วตัววิญญาณดวงวิญญาณนั่น่ะ จะต้องออกจากร่างกายของเราไปสู่ปรรโลกภายภาคหน้าจุดนั้นเป็นจุดที่พวกเราจะต้องคิดคิดไว้จานเราเชื่อในพระธรรมคำสอนเชื่อในพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระ อ, องค์ท่านด้วยเราต้องศึกษาเมื่อศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติด้วยเพราะว่า พระพุทธเจ้าพูดอะไรตรัสอะไรออกไปพระ อ, องค์ก็ไม่ได้บอกว่าท่านทั้งหลายต้องเชื่อทุกทกทุกเรื่องนะทุกคำนะที่เราตรัสออกไปพระ อ, องค์ก็ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นขนาดท่านยังถามท่านภาษาลิบุตรอย่างที่หลวงพ่อยกให้ฟังยกแล้วยกอีกภาษาลิบุตรอย่างปฏิเสธเพราะยังไม่ได้นําไปปฏิบัติ นี้ก็เหมือนกันพระธรรมคําคสอนของพุท ธ, ธาเนี่ยสรุปแล้วต้องพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ทุกเรื่องต้องมีเหตุผลที่พระองค์ตรัสไปแล้วอย่างการให้ทานเพราะทำไมพระพุทธองค์จึงแนะนําให้ทานการให้ทานเป็นการเสียสละเป็นการเสียเงินเสียทรัพย์สมบัติของตนเองก่อนที่จะได้ทรัพย์สมบัติมา โ, โหหามหมัแถบลม้มแถบตาย เหลือเหงือหยดไม่ลูกกี่หยดแต่พอได้มาทำไมพระพุทธเจ้าจึงออให้เสียสละให้ทานการให้ทานเป็นยังไงและคนไม่ให้ทานคนไม่มีเสียสละล่ะคนเก็บหอมรอมกิบตลอดไม่มีการเสียสละไ ม, ไม่ให้ตกไม่ให้ตกไม่ให้หล่นเลยกับคนหนึ่งที่ได้มาแล้วก็รู้จักแบ่งปันคนสองประเภทนี้นะ่ะคนไหนที่ น้านับถือน่าเลื่อมใสน่ามีความสุขเรามองดูแล้วว่าคนที่ให้ทานจะมีความสุขดังด้านจิตใจกว้างขวางมีพักมีพวกมีหมูหมูมีเพื่อนมีมิตรมีสหายมีอะไรเกิดขึ้นก็พึ่งพาอาศัยกันเพราะเหตุไรเพราะมีจิตใจกว้างขวางแต่คนที่ไม่เสียสละขี้ตีทีเหนียวไม่มี การให้ทานเสฉยๆไปอยู่กับใครใครก็หลังเกียดเดียดสันเพอเพิมันจะไปโลภเอาของเอาของเขาไปเสื้ออีกนี่แหละอันนี้ก็คือเหตุผลของพุทธะพิสูจนได้คือพระพุทธเจ้าสอนให้ทานพระพุทธเจ้าสอนให้มีศีลมีกฎระเบียบมีกฎกติกาการอยู่ด้วยกันมีศีลห้าอย่างนี้หลวงพ่อก็เคยอธิบายให้พวกเราฟัง เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาคือสินห้าข้อที่ห้านี่ก็ให้มีสติสัมปชัญญะในการเป็นอยู่อย่าไปอยู่แบบหลงละเลงถ้าว่ากินเหล้าเมาสุราตาเปือยอยู่ทั้งวันจะรู้จักคิดดีคิดชั่วได้อย่างไรเพราะคนขาดสตินี่แหละอันนี้ก็คือสิ น, นของพระพุทธเจ้าถ้า โลกทั้งโลกมีศีลเนี่ยศีลก็คุ้มครองให้โลกทั้งโล ก, กร่มเย็นเป็นสุขอนนี้มีเหตุผลเรื่องสมาธิจะทำจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้สงบจะทำยังไงจิตใจจิงจะสงบให้แพ่งจดจ้องอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนให้จิตใจพักผ่อนแต่เราพักผ่อนทางด้านทางระดั้ทางด้านร่างกายแต่ใจของเราในี่คิดปุงฟุ้งอยู่ตลอด ท่านว่า ใ, ใจพักดูซ้ํ้ไม่ให้พักแล้วก็ให้ตื่นตื่นขึ้นมาก็คิดพอพักก็ให้อยู่ในซองความสงบเ น, นี่แหละอันนี้ก็มีเหตุผลส่วนหนึ่งล้วนแล้วแต่หลักทําคําสอนของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้แล้วก็คิดติดตามได้กันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติได้นี่แหละหลัก พุทธศาสนาเป็นาศาสนาเหตุผลไม่ได้พูดแบบอย่างยกเกินขึ้นมาแล้วก็พูดหาเหตุหาผลไม่ได้ไม่ใช่หลักพุทธศาสนาคือหลักเหตุผลการอยู่ด้วยกันหรือการวางาศาสนาเพราะนัให้พวกเราชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราให้ทดลองปิดงบดูนะถึงจะไม่ถึงปิดงบใหญ่ก็ปิดงบ น้อยๆดูแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละวันดูวันนี้เราคิดไปในทางไหนบ้างวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้ามาจนถึงตอนเย็นแต่เขาทำมาค้าขายวันหนึ่งๆเขาก็ยังปิดงบเล็กซะก่อนใช่ไวันนี้เขาขาดทุนกำไรอย่างไรต่อมากับปิดงบเดือนต่อมากับปิดงบปีอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละให้พวกเราปิดงบ วันนูสิถ้าพวกเราไม่นานๆเนีปิดงบเถอะหนึ่งมันจะไม่เห็นนะจะไม่เห็นความดีความชั่วของตนเองนะถ้าว่าเรามีความไม่ดีมีแต่คิดเลวมีแต่โมโหโกธาอยู่ทั้งวีทั้งวันทั้งทั้งอาทิตย์เนี่ยมันก็ทําให้จิตใจเสื่อมถอยอีกเหมือนกันนะให้ข้าวาหมดกำลังใจใจหมดกำลัง แต่หาว่าเราประกอบคุณงามความดีเอาสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เอาเท้งมันมันจะมาคิดอะไรมากมายนักหน า, าไม่ใช่ว่าตัวเองจะอยู่โชว์ฟ้าดินฉลายตายไม่เป็นไม่ใช่นะจะไปคิดอะไรหนักใจเรื่องอะไรควรจะปล่อยวางก็ปล่อยวางาแล้วก็ปล่อยวางเนะทางด้านคิดใจในะเราต้องปล่อยวางาวาทุกในโลกนี้จะให้ได้อย่างจใจเราทุกอย่างอย่างนั้นใช่ไหม มันเคยมีไหมในอดีตจนถึงปัจจุบันมันเคยเป็นเคยมีไหมอย่างนั้นไม่เคยมีถ้าไม่เคยมีเราจะให้มันเปลี่ยนได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องทําใจเรานะบางเรื่องนะ้ามันได้มันดีใจเกินไปเออเอาเถอะเขาวที่ดีใจกร ะ, ระโดดกระโดดโล ด, ดเต้นเราก็ต้องมองอยู่อีกสักวันหนึ่งนะอาจจะเสียใจก็ได้สิ่งเหล่านี้พราะวันได้กับเสียนมันอยู่ ในโลกนี่แหละโลกธรรมแปดนี่แหละนะให้ดูตัวของเรานะนี่แหละคือสรุปแล้วก็คือให้ดูให้มีสติสัมปชัญญะดูตนเองไว่อยู่เสมอนะถ้ามันขึ้นมันก็จะไม่ฟูมากถ้ามันลงมันก็ไม่จมมากมันคล้ายๆกับว่ามันรู้เท่ารู้ทันรู้เรื่องรู้เรารู้มันรู้ตัวในการเป็นอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือ ส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือหลักธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะข้า ร, ร, ร, ร, ราทกาญาติโยมลูกหลานแต่จริงๆงารก็เห็นสำหรับพระลูกหลานที่อยู่ภายในก็เห็นภาวนาเนี่แหละเรื่องสำคัญผู้ที่ทำการทำงานสมแซมเสนาชนะที่มันมีปัญหาปัญหาจากน้ำท่วมคือเอาทาไป ผู้ที่ไม่มีอะไรกันนะให้ช่วยช่วยกันดูนะอย่าไปขี้เกียจปัดกวาดหลวงพ่อนั่งเดินไปดูกุฏิของพระเราเห็นผ้าพระแล้วก็เห็นกุฏิบริเวณลกๆในบริเวณไม่ใช่หลวงพ่อสบายใจนะหลวงพ่อพระเน้นของเราเนี่ยทำไมด้อยประสิทธิภาพ ไม่มีกิ จ, จวัตรข้อวัดทำจิตใจขนาดสิ่งภายนอกก็ยังเศร้าหมองขนาดนี้ทางด้านจิตใจมันจะผ่องใสได้อย่างไรเนี่ยหลวงพ่อคิดถึงด้านจิตใจพู่นะเพราะนั้นนีกุฏิของใครดูดูให้สะอาดสะอ้านบริเวณก็ไม่เห็นจะหนักหนาที่ตรงไหนอพอจับไม้กวาดขึ้นมาห้หาวหากหาวายอย่างงั้นเหรอมันชักจะเกินไปจแล้ว ถ้าเป็นนักพจนนักบวชอย่างนั้นนักพจนักบวชต้องสะอาดนอกต้องสะอาดในนะที่หลวงพ่อนั่งไปเป็นเห็นถนนสายไหนที่นั่งนั่งไปทางหลังวัด น, ะนั่งรถไปตะเวนดูเพราะมันวัดของเรามันกว้างนะแต่จะให้เดินวันหนึ่งตั้งหลายกิโลนะตั้งพันกว่าไรเพราะนั้นหลวงพ่อจึงนั่งรถไปแต่ไปเห็นกุฏิหลังไหนสะอาดสะอาดหลวงพอ่อก็มีแวว ต่อไปภายภาคหน้าความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับท่านองค์นี้พระองค์นี้แต่พอไปเห็นกุฏิหลังไหนลกห ล, ลงหลังหลวงพ่อเห็นอืที่เราสอนบอกกล่าวว่าต้องสะอาดนะสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดนอกสะอาดในสะอาดนอกซะก่อนมันบ่งถึงความสะอาดในถ้าว่าข้างนอกก็ยังลกหลงหลั ง, ลงขนาดนี้้นทั้งข้างในเลย จะกุ้มมลุลมมาตุ่มกุ้มลมขนาดไหนเนอใจพระองค์นี่ยนะหลวงพ่อไม่ได้มองดูที่อื่นนะหลวงพ่อมองดูหวัวใจพระนะแต่ขนาดกิจวัตรข้อวัดหลวงปู่ล่าท่านไปที่ไหนมาไปที่ไหนมาท่านยังหยิบใบไม้ออกจากถนนหนทางอันนี้ก็คือหลวงปู่ท่านว่าเขารบในกิจวัตร แต่หลวงพ่อก็เหมือนกันหลวงพ่อไปที่ไหลวงพ่อก็เขี่ยเหมือนกันใบ ไ, ไม้ออกจากทางถึงพ่อจะไม่ได้ปัดกวาดนะเพราะยังไงก็เห็นว่าพระลูกพระลานจะช่วยช่วยกันแต่เราก็มีภาระส่วนหนึ่งที่จะต้องดูมันไม่ใช่ของสนุกเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพระขึ้นมาผู้เท่าขึ้นมาจึงจะรู้ได้หรอกแขกคนไปมาหาสู มันไม่ใช่ของนั่นนะมันเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะเราเป็นพ้าน้อยผะหน่งแสนสะดวกสบายออกกำลังกายปัดกวาดนั่นก็เป็นกนการกายกา ย, ยภาพเหมือนกันนะออกกำลังกายปัดกวาดทำความสะอาดถ้าออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ยิ่งกำลังกายกาลังใจก็ยิ่งเข้มแข็งถ้าคนขี้เกียจขี้ค้านเะน ใจิต่มันหดหูนะเศร้าหมองเศร้าหมองทางด้าน จ, จิตใจในเมื่อใ จ, ใจิตใจเศร้าหมองะหมดอะไรตายอยากแทนะ้หมดอะไรตายอยากในชีวิตหมดอะไรตายอยากในการเผ่นนักเพชรนักพจนักบวชนะมันไปอย่างนั้นนะพระลูกหลานนะเพราะนั้นต้องดูนะกิ จ, จวัตรข้อวัดของตนเองบริเวณที่พักของตนเองต้องทําความสะอาดปัดกวาดวันละสองครั้งนะพอ ก, กลับไป ไปไปถึงวัดไปถึงกุฏิปัดควัดในบริเวณพอตอนบ่ายมาเอาปัดกวัดเอยังค่อยกลับมาหรือพอกลับมาทํากิจวัตรไปแล้วกลับไปกับไปปัดควัดบริเวณพักของตนเองอันนี้หลวงพ่อทํามาแล้วจึงมาบอกให้พระลูกหลานให้หลวงพ่ออยู่ที่หลังกุฏิหลวงตาเนะี่ยเป็นป่าคึ้มใหญ่อยู่ในต้นล่มต้นไม้ ตื่นเช้ามาขนน่ะก่อนเดินยังกงก็ปัดกวาดเบาๆเพื่อมาให้มันเสียงดังพอตกตอนเย็นมาก่อนปัดกวาดนค่อยออกมาข้างนอกอะเพอๆกลับเข้าไปอีกชั้นปีนบาตเข้าไปเห็นมันลกปัดกวาดอีกอจนเป็นที่ยอมรับขององ์หลวงตาหลวงตามีแขกคนสําคัญม า, มามาวัดของท่าน่ะ มามาท่านก็พาเดินไปพาเดินไปกุฏิของหลวงพ่อนะ่ะเพราะถ้าถ้ถาเดินไปแล้วมันไม่ขายไม่ขายหน้าขายตาท่านใช่ไหมละ่ะไปเห็นเห็นทางเดินยังกกมบ้างท่านกคนนี้พอเห็นท่านมาแล้วก็หลบไปทางอื่นถ้าเห็นแขกมาได้ยินเสียงแขก ม, ม, มุมมมุ่มมามาจองลงหลงตาตัวเนียแล้วก็หลบไปทางอื่นท่านก็มาท่านก็นีน่แหละที่อยู่ของพระนะเป็นอย่างนี้ละ อันนี้ท่างเดินโยกมอันนี้เป็นที่อให้อาหารกระแตอท่านก็ยืนพูดคุยกับญาติโยมผูท้ที่นั่นน่ะสมัยก่อนแขก ค, คนยังไม่มากใช่ไหมละ่ะอหลวงตาก็พาไปแต่พอแข่ ค, คนมากหลวงตาก็ไม่ทําอย่างนั้นแหละท่านนะแต่ถึงยังไงท่านก็ยังบอกว่าเนี่ยสถานที่ของพระอยู่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่แหละอันนี้ก็คือ คู่บาอาจารย์องค์หลวงตาเ <c oughs> นี่ยที่พักของหลวงพ่อเยอยู่ทางหลังกุฏิของท่านห่างไปประมาณจากักสองสามร้อยเมตรมั้งเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยมีทางได้ยังกรมจากนั่นกับพูลดินดินจากนั่นตกแต่งให้เรียบร้อยปัดกวาดสะอาดสะอ้านนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นที่พัก ที่พักที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าดูเวลาก็เดินเดินซ่อมไปมีแต่ใบไม้เต็มไปหมดเวลาขึ้นไปกุฏิกันนะกดกุฏิก็เองก็ไม่ปัดไม่กวดอยู่ในห้องนอนผ้าเขาไม่พับอีกศัตรูก็โยนกองไว้เอะเลยเคขะไปหมดแปลว่าพระไม่มีกิ จ, จวัตรพระไม่มีข้อวัดไม่มีสีลายจาะระวัด ไม่ควรจะมีนะผ้าลูกผ้าหลานทั้งหลายนะได้ยินไหมหลวงพ่อพูดให้ฟังอันนี้คือชีวิตประจำวันนะพวกเราต้องตรวจตราดูตนเองไม่ใช่แต่จะไปงบแต่เรื่องสมาธิอย่างเดียนะงบกิจจะวัดข้อวัดศีลอาจารวัดของตนเองด้วยให้เป็นพระอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในจริยวัดที่พ่อแม่ครูบาอาจาร แนะนำบอกกล่าวนะหลวงพ่อเองมิตะบอกกล่าวเท่านั้นนะส่วนจะปฏิบัติหรือทำอย่างไงให้ลูกหลานคิดดูก็แล้วกันนะที่หลวงพ่อพูดเป็นยังไงมีเหตุผลไหมนะหลวงพ่อเองมิตะอ้างเหตุผลให้พวกเราได้ยินได้ฟังเพราะพวกเรามาศึกษานะมาศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็ต้องฟังฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติดูสิมันเป็นยังไงหลวงพ่อเองมั่นใจเมื่อปฏิบัติแล้วจิตใจของเราจะมีความ ลมเย็ยนผาสุกลึกๆในจิตใจคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใจของเราก็ อ, าอบอุ่นผ่องใสยอย่างหลวงพ่อนี่พูดให้ฟังนขนาดหลวงพ่ออยู่บ้านตาดออกมาตั้งแต่ปีสองสาหลวงพ่อยังมาเล่าให้ลูกหลานฟังปีนี้ปี60ลหลวงพ่อภาคภูมิใจในการเป็นอยู่ใ น, ในช่วงนั้นหลวงพ่อทำปฏิบัติไม่ขาดตกบกพรในการดูแลเจนาชนะ ปัดกวาดทำความสะอาดเดินอย่างโกมนั่งภาวนานะรับพ่อในเสน่ห น, นะ